เสียงอ่านหนังสือหลักธรรมะหลักธรรมตามรอยพระยุคลบบาทเขียนโดยดรสุเมธตันติเวชกุลเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเสียงอ่านโดยโจโฉหมายเหตุชื่อหนังสือในที่นี้เขียนคำว่าหลักธรรมหลักธรรมตามรอยพระยุคละบาทนะครับคำว่าธรรมคำแรกจะเป็นธรรมะใช้ทอทงส่วนหลักธรรมคาที่สอง ก็จะใช้ทอทหารนะครับหมายถึงการกระทําทั้งนี้เพื่อความเข้าใจของผู้ฟังนะครับจึงจําเป็นจะต้องอ่านเป็นว่าหลักธรรมะหลักธรรมตามรอยพระยุคลละบาดเรามีชีวเป็นอยู่ที่สุขสบายจากหยัดเหงือและความตั้งใจที่พอไม่เคยหยุดยัง จะมีใครในโลกที่จุ้มเทและทำทุกอย่างเพียงผู้หวังให้ลูกสุขใจเรายังมีเรื่องให้พ่อต้องห่วงสมเสมอที่ยังหาคนทางไม่เจอก็ต้องค้นหาต่อไปแต่วนันไหน เวลานี้คนไทยจำนวนไม่น้อยกำลังใช้ชีวิตตามอย่างโลกตะวันตกโดยหลงลืมความเป็นตะวันออกไปจนแทบหมดสิน้นเหมือนอย่างที่หลวงปู่ขาวเคยเทศไว้ว่าคนไทยเป็นคนติดซากหมายถึงยึดติดกับวัตถุจนละเลยเรื่องของจิตใจอันละเอียดอ่อนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในทุกด้านโดยเฉพาะ ทรงมีความเป็นไทยอย่างที่สุดดูได้จากพระราชจริยวัตรของพระองค์ทั้งเรียบง่ายพอดีและมีความอ่อนน้อมถ่อมตนนี่คือลักษณะของคนตะวันออกที่หาได้ยากแล้วในปัจจุบันถึงเวลาที่คนไทยจะต้องหันมาตามรอยพระยุคลลระบาทโดยยึดเอาหลักธรรมะทั้งหลายที่ทรงแสดงให้เห็นมาใช้เป็นหลักปฏิบัติหรือเป็นหลักธรรม ทั้งนี้เพื่อความดีงามอันจะบังเกิดขึ้นในชีวิตที่เหลืออยู่นี้สารบัใหนม่งเสียคนเพราะอยากร่ำรวย 2. ถึงเวลาปรับเปลี่ยนค่านิยม 3. ถามตัวเองเมื่อวานทำความดีอะไรบ้าง 4. หลักสิบประการตามรอยพระยุคนละบาท 5. ตามหลักทศพิษรราชธรรม 6. ตัดห้าอาธรรมใส่ห้ า, าธรรมธรรมในที่นี้คือธรรมะนะครับ 7. การมีชีวิตที่ดีในโลกไร้พรมแดนและ 8. ภาคพนวกช่วยกันส่งความสุขให้พ่อโดยรอยยิ้มจากใจ ยิ้มที่สื่อความหมายแทนคำพูดคนไทยทุกคนส่งรอยยิ้มสใสให้พ่อสิ้นความกังวลว่าวันนี้ลูกพ่อทุกคนยังสุขสบายส่งรอยยิ้มให้พ่อของเรากันเถิดคนไทย